วันนี้เรามีกิจกรรมทีม่ต้องทำอะไรเยอะๆกลับไปยังไม่ได้พักเางกันเวลากินเป็นเวลานอนเวลานอนเป็นเวลากินกลับกันนป็น h o work ก็คือกลับมาเที่อสุดท้ายกินก็ไปเทก่มา รับปะท้อนไว้แล้วมันเกิดมันเจอทัานทันนานไม่หมดโดยวายการไม่ไปนไม่ได้เสียพระโพธิ์หรือวันนี้พรุ่งนี้มีบทแล้วก็มีงานประชาชนในก็ทร า, าบพนุคุณยายการนี้สุกทีเบสก็รอรอกลับมา ก, ก่อนอายุครบร้อยปี ร้อยปีคืออีกสองวันบนไปทาบุญร้อยปียังมีชื่อจูพรุ่นี้ทําบุญบางคนเก้าสิบลำบากแล้วนั่งกินนอนกินแล้ววันนั้นเวลาให้พรกันาะคิดนิหนึ่งร้อยสาวร้อยสาว ร้อยสาวล้วก็อยู่คนเดียวนะมันไม่ได้ร้อยสาวเาต้องอยู่ด้วยกันให้หลวงพ่อร้อยสาวคนจีนดั้งเดเก่เาเป็นหมื่นปีเลยไม่จะอยู่ยังไงเอาเลยว่ามันเลยเถออิดแล้วเราคุณเราฟังมาไปที่โ น, นกันที่นี่ เขาลำบากก็เราเดินกันเข้าวัดเข้าวาแต่ละคนต้องหาเวลาวันสุกร์สองสามร้อยกิโลเข้ามาวัดก็เราแค่เดินผ่านนาประตียงไม่มองก็วกวักมือเรียกยัไ้ไ่องบางทีปลายทาวัดยังไม่เห็นยังไม่รู้ชื่อวัดสันนิษฐานมองอยู่ข้างไหนไม่รู้ว่าปีวัดแต่ข้างนอกก็ตั้งใจ ปรสบก็ขขามาสองอาทิตย์เย็นอาทิตย์ก็กลับบ้านเวลาจำกัดเวลามันน้อยอยุคสมัยนี้การนับถือาศาสนาเราเห็นชัดเจนประชากรเนี่ยนงาาศาสนาคือคริสต์อิสลามตามลำดับ อันดับหนึ่งอันดับสองแต่ที่น่าตกใจนั่นก็คืออันดับสามอันดับสามว่าเออคนไม่นับถือศาสนาไหนเลยไม่ใช่น้อยนะ้อยนะไม่ใช่น้อยเทียบกันมาแล้วจากประชากรของเราแปดพันล้าน ก็แ บ, บ่งให้คลิกอิสลามซึ่งพูเราไม่ต้องพูดถึงหลักร้อยสองสามร้อยถึงที่หมายถึงทั่วโลกต่อไปศาสนาที่จะแซ็กระดับหนึ่งคืออิสลามก็ขอไม่กลงกงเลือเถที่ได้ตกใจก็คือคนที่ไม่นักถือศาสนา เลี่ยงใช้คาว่าไม่นับถือเราจะไม่ใช้คำว่าไม่นับถือพระเจ้าก็จะเป็นปัญหาทำไมถึงไม่นับถือศาสนาแต่ละคนไม่ใช่ไม่มีความรู้นะที่อ่านฟังเจอเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ ต่หาคำตอบไม่ได้หาคำตอบบนความขัดแ ย, ยงตอบได้สุดท้ายคือความขัดแ ย, ยงพวกนี้จะตั้งคาถามเพื่อหาคำตอบถ้าตอบได้ถึงจะเชื่อถ้าใครตอบไม่ได้ก็ยังไม่เชื่อ ศาสนาบนโลกของเรามีสองประเภทหนึ่งคือนับถือพระเจ้าพูดง่ายๆเนี่ยอีกประเภทหนึ่งคือไม่นับถือพระเจ้าก็มีหลายประเภทเป็นนับถือ บ, บรรพุทธ์นับถือผีนับถือเทวดาพระเด่นเป็นต้นก็ถือว่านั่ไม่นับถือพระเจ้าสองประเภทหลักๆนับถือพระเจ้าอันนี้มีมาเป็นพันปีส่วนพุทเรา มัต้องไปพูดถึงก่อนพู้ราก็เป็นพรามพวกนี้เอาเป็นหลังก็คือมีคนสร้างโลกเจริสุดท้ายองมีพระเจ้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหมายถึงตัวตนคนที่ไม่นับเธอเข้ามาตั้งคำถามบอกทุกอย่างต้องมีคนสร้างไม่ใช่คนเราเอง คำถามก็คือสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนที่สูุสร้างขึ้นมาคัดสันหรื อ, อยังทําไมต้องสร้ายเขาเ้าไปคนที่นคนพีการคําถามมั้เขามีความผิดไหมต้องให้เขาเอารขียนข้างเดียวขาข้างเดียวหรือพูดไปได้ แต่ตอบให้นักถือคําตอบมัคือตอบไม่ได้ตอบได้แบบมีศาสนาคือเจ้าค่อเบื้องบนกับศาสนาเราคือศาสนาพุทธเราสามารถหาคําตอบได้ตนเองแศาสนาอนื่นไม่ได้ไม่สามารถเทียตอบอาตามหาด้วยตนเอง แต่ที่สาคัญคือมีคำถามแรงคนนั้นก็คือถามว่าเมื่อทุกคนมีทุกอย่างมีผู้สร้างคำถามก็คือแล้วพระเจ้าคือผู้สร้างไหมอันนี้คือคำถามแรงพระเจ้าอีผู้สร้างไว้ที่สุดเป็นอนันตะ ไม่มีรูปไม่มีร่างเหลือสิ่งอื่นใดคนไหนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนผู้สร้างนัอันนี้ก็เป็นเทมาของกุฏิไม่นับถืปะะอปัญญาตียังให้ผลแต่ถ้าอธิบายได้ฉันนับถือแล้วเขาก็เอาตักกะมาอธิบายเช่นศาลาหลังนี้มันต้องมีคนสร้างถ้าไม่มีคนสร้างามันจุประกุขึ้นมาเฉยๆไม่ได้อีกฝ่ายพยายามจะอธิบาย แต่ลืไมไปว่ามันมีโลกนี้มีทั้งรูปธรรมกับนามธรรมาส่วนรูปธรรมเราเข้าใจส่วนที่เป็นนามธรรมา ท, ที่จะหาคำตอบยังไงกตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็ยกขึ้นเบื้องบนไม่มีใครที่จะคัดค้านได้เป็นไปมาของคนที่ฝ่ายไหนก็คือไม่ได้เกิดแล้วก็เยอะเป็นอันดับสา ท้งโลกก็ไม่น้อยนะคนที่มันถือมีทั้งที่มีอคติอย่างแรงก็มีแต่คนที่มีเหตุมีผลมีความจริงรองรับก็ยังมีหมายก็ว่าคนเชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณก็ทำตามความเชื่อของคณไป อ, อีกเพศหนึ่งอีกเพศหนึ่งคือไม่ได้เลยกลับมาบ้านเราเลแล้วก็รอบๆบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยงคือผู้าศาสน า, าของเร า, าศาสนาอื่นของมุ่งไปที่คำภีคือเอาเป็นเอาตายตัวชีวัตตัวชีัดเลย ใครจะไปดูถูกปปะมารไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ทั้งสองัมภีร์ต่างกับพระไตยปิฎกของพวกเราแม้แต่ปัจจุบันก็จะเป็นข่าวเดือนคือเอาอัตโนมติคือความเห็นของตัวเองอธิบายศาสนาอื่นไม่ได้เอาถึงตายเลยเป็ศาสนาเราอิสระคือ แปลว่าอะไรเมื่อสามารถทธิอธิบายคือผมพระเตยไปดกได้ค้านพระเตยไปดกได้แปลว่าอะไรก็แปลว่าค้านปุถุเจ้าเนี่ยก็คือค้านตัวหลักคําสอนจี่บอกไม่เลอกถือเลือกถือแค่ทำกับนี่ในไม่เลือกถือตัวบุคคลอันนี้เรา ม, มีเริ่มเป็นในในบ้านเมืองเราหลากหลาย โมเราเขาเรียกานิกัยนี่ยแต่ที่หน้าในห่วงกันนั้นก็คือเราไม่รู้ที่มาของการศึกษาหรือองาี่คืออง ค, ความรู้ศาสนาอื่นศาสนาอื่นเราไม่เคยถึงคนที่สอนศาสนาเนี่ยเขาเป็นคุณภาพะหมายความว่าต้องมีการเรียนรู้องความรู้เขาคร บ, ครบ พร้อมมีเถียงแทนได้ทุกย่อหน้าทุกพระกาศเขาเข้าใจที่ต่างกับพวกเราพวกเราอาศัยความเชื่อแลวก็ตามกันมาผิดถูกค่อยว่ากันแต่เราเชื่อก่อนแทงเขาน้นเชื่อคมพีเป็นหลักไม่เชื่ออันนี้คือการจบด้วยความเชื่อ มันแตกต่างกันอน่างนี้นที่าฝ่ายเรามาจบด้วยความเชื่อที่ตามกันมาแต่ว่าองค์ความรู้เราไม่พอโดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราจาแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติมันค่อนข้างจะหลากหลายมันเริ่มต้นมาเป็นลังกาเป็นต้นมาความยาั่งาณขังอาาระพ ย, ยนชนะวิสู่พมา มาถึงบ้านเราโดยก็คือ ก, ก, การศึกษาในในปัจจุบันก็ตามอยู่ปริกัติธรรมที่เราศึกษาจริงๆแล้วเป็นกับอักถะฐานี่ซ้ำไปศึกษาวิสุทธิมรรซึ่งมันก็ไม่ใช่ปะจจัิดกอันนี้คือเลยหลักๆแล้วก็ไปจำของปุริมากระถกเทียงยตัวที่เป็นประจจัยปิดก มันก็ต่อต่อกันมาอันนี้คือปัญหาใหญ่ของวงการของพวกเราที่สุดขันก็คือมีแต่ปริญญาปฏิบัติน้อยแทบไม่มีเลยสุด ท, ท้ายก็เอาปริญญาตมาเถียงกันเหมือนตะบอดคำช้างออกมาเถียงกันที่ว้ปริญญาตี่็นไง มันได้เอาปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราคงไม่เถียงกันนะเจนคนเคยไปกรุงเทพผมไม่ได้มาเถีย ง, ว, ง, ยงกกย ว, วัดพระเจริญเป็นยังไงพระแก้ววัดพรแก้วเป็นยังไงแต่คนที่ไม่เคยไปก็ว่ากัไปคนละทิศคนละทางอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นภาคปริยัติจึงเเรื่องจําเป็น ปริยัตในนามเขาคําว่าปริยัต จ, จริงจริงๆแล้วคําว่าปริยัติี่ไม่ได้ไปเรียนหนังสืออ่านหนังสือทั่วทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยก็เชื่อว่าปริยัติคือการเรียนรู้เขาปริยัตไม่ได้ไปว่าอ่านตนลดตอดเวลาเขียนตนลดตอดเวลาจำตลดตอดเวลตามได้ที่เรายัง ยังไม่ถึงที่สุดก็เชื่อว่าเป็นผู้อยากศึกษาภาษาอังกฤษเลยเสกขะเสกขาบุคคลคือที่ต้องศึกษาก็คือปฎิญญต์นั่นแหละแต่ว่าทางปริยญตมันทางปฏิบัติของพวกเราเคยเปรียบเทียบไปฟังดูเสมอว่าปริยัาตเองมันคือแผที่มันคือตำรามันคือสูตรเรายัางไม่ได้ปรุง เมื่ออาหารปียบเรื่องการประจำเสมอเมื่อสูตรอาหารสูตรขนมที่เราทำทำกันมาต่อต่อกันมาสารพัดอย่างวันนี้เยอะแยะดูแ ล, แล้วเลี้ยงคนทั้งศรีธรรมอย่างนี้หมดงานในสองของพุทธประธรรประสงค์ไม่ได้ไม่ได้อายส่งขององคพระสงฆ์องค์เลนเราก็คือสูตรอามาจากสูตรเอง แต่ถ้าเรารู้จากสูตรแล้วมาปรุงเองแต่ละคนไปทําเอาสูตรอาหารที่เราเรียนรู้เอาไปทํำเองเล อ, เอปรุงแล้วมันก็ไม่มีการตายตัวแล้วแต่ชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องให้ได้ชิมต้องให้รู้จากรสของมันให้ครบองค์ประกอบ อ, องค์ของรู้ปรองค์อย่างนี้นั้นต้องเขาทั้งประหยัดปฏิบัติปฏิเวษคือผลของมัน เมืออาหารรู้จักคยอสูตรอย่างเดียวแต่ไม่เคยปรุงเลยคือไม่เคยทำเลยคือไม่เคยปฏิบัติเลยเมื่อปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ไปเราจะไม่รู้จักผลไม่รับผลของการปฏิบัติอันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ ช, ววชนนื่อว่าเป็นชาวรามานวลีก็เดียวจะสตาแต่ว่าอย่าลืม อย่าลืมว่าอย่าไปจบแค่ศรัทธาถ้าจบแค่ศรัทธามันจะเป็นปัญหาทุกทิศทุกทางศรัทธาในหลักการศรัทธาในบุคคลศรัทธานะคำสอนศรัทธาอะไรก็แล้วแต่เรก็จะเป็นหลงในตักงปั๊มเช่นศรัทธาบุคคลเนียก็หงายท้องกันหลายๆลายแล้วมันเป็นเรื่องของบุคคลขอให้ศรัทธาในพรัตนาใจ คือคนของพระเจ้าของคนของพระธรรมคนของพอะระอริยะสงฆ์ไม่ใช่คําว่าคนเหมือนกันที่เป็นสติที่ถูกต้องแล้วมันคงเลยความยึ่กับรัตนาใจหลักสามอย่างก้อหินสามเส้าอันเนี้ยต้องศึกษาแล้วก็ยึดเอาเป็นที่พึ่งอันท้าวอนอื่นๆไม่มีเลยเป็นที่พึ่งเราได้กับรัตนาใจคือใจแรก ใจที่สองคือใจสิกอขาไใจสิ่อขาเราต้องต้องที่สิ่งแต่ปัจจุบันหรือทั่วๆไปเนี่ยเราเประเน้นที่ทานมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือบอกคุณบอกบาปอะไรก็แล้วแต่เราเป็นเน้นตรงที่ทานมากขึ้นไปแล้วหยุดแค่ทานเฉยเดียวกันต่อกันนั้นไปต่อไม่ได้ละ สิคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรไปต่อไม่ได้มันก็เป็นบุญมะเป็นแต่สุดท้ายเราถือว่าทานอติวสุดยอดแล้วมักจบแค่ทางไปต่อจาะแล้วไปไม่ได้อันนั้นคือสําคัญเพราะฉะนั้นพุทธวจศิล ส, สมาธิปัญญาดีใจที่สองใจที่สามสำคัญที่สุดก็คือใจหลัก ในสามใจตจรักสำคัญที่สุดมันสําคัญตรงไหนว่าหลวงพ่อไปตามระเถิดอธิบายอาธิบายง่ายๆอยา่างผู้เราฟังนี่แหละอืมอย่างเรื่องใจรักหลวงพ่อก็เอาภาพสามภาพอาธิบายเข้าใจง่ายไทยจีนาภาษาไหนก็คุยได้ตจรักภาพแรกก็คือให้วาดรูป รูปเต็มเหมือนรูปหล่อพิ้วใส่ถูกอุทัยใส่สูตรหลอเด็กฮุบ ท, ทั้งชายทั้งชายอันนี้คือภาพแรกภาพที่สองก็ให้มองให้เห็นให้ได้ว่าครึ่งหนึ่งให้เห็นข้างในอีกครึ่งหนึ่งหเห็นธรรมดาเห็นข้างในก็แปลว่าให้เห็นหัวใจตับไตใสยพงุงภาพที่สองพวกเราลองวาภาพตามนะ มีภาพหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ปกติแขนขาตาจมูกอันนีนภ้ภาพที่สองภาพที่สามเอาออกหมดภาพแรกก็เอาออกภาพสองออกเหลือแต่โครงกระดูกอย่างพวกเราเองมู้หญิงน่าจะอามาตั้งตัวนี้โครงกระดูกนี่เพาเหลือแต่โครงกระดูเกเคลือละรู้ไหมว่าเป็นผู้หญิงรู้ไหมเป็นผู้ชายหิวไหมเจ็บปวดไหมเวทนาไหม อันนั้นกคือภาพที่สามภาพแรกก็คือคืออะไรภาพแรกมันบอกอะไรภาพแรกบอกอนันจังมันเป็นอย่างนั้นตลอดไหมได้บ อ, อาอันจังมันไม่เป็นอย่า ง, างนั้นแต่เราเข้าใจอย่างหนึ่งเราจะไม่เข้าใจแม้ปัจจุบันในภาพแรกเราก็ยังบอกไม่ครบเลยภาพที่สอง ย่ไม่ต้องพูดถึงพราะนั้นภาพแรกเนี่ยท่านบอกว่าเพียงแค่ใช้ศีลเป็นตัวชีวัดก็เข้าใจแล้วภาพแรกอะไรถ้าไม่มีศีลเป็นตัวประกอบสมบูรณ์ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้หมายถึงใจนะแต่รูปร่างเป็นติบได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็เป็นกันอย่างนี้หรือ ถ้าไม่มีศีลเลยมีรูปมาทำนามตามเหมือนกันเหมือนพวกเราก็คือสิงสาราจัก์นี่คือความสำคัญคำว่าศีลถ้าไม่มีตัวนี้เป็นตัวชีวัดเป็นตัวกากับพวกเราพวกเราก็จะไม่ต่างจากพวกเขามีขันเหมือนกันหมดเลยกันห้านแต่ความแตกต่างไม่ต่างกัน น, นี่คือตัวภาพแรกซึ่งปัจจุบันเราก็ได้แค่ภาพแรกใช้ภาพนี่คือสิทภาพที่สองก็ดีขึ้งหนึ่งเห็นขนาดคึ่งหนึ่งนี่คือสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่สามารถที่จะมองภาพตัวเองหรือคนอื่นให้เห็นเป็นอย่างนี้ไปไนดะ้ก็ได้แค่ภาพแรกหรือไม่สมาธีมองเห็นความจริงทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งคือเรามองเห็นแบบปพติธรรมดาอีกด้านหนึ่งแท้ที่จริงหนังบางๆเนื้อนาๆ น, น, น, นิดหน่อยบางไม่เห็นตัดไตเส้นผงใส้ใสใน้อยเส้นใหอุจาระปัสสะที่อยู่ข้างในถ้าไม่มีสมาธิไม่ไา้โดยเฉพาันี้คือกำลังของสมาธิจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ต้องถามพวกเราเป็นอย่างนี้ไหมสุดท้าย ภาพที่สามถ้าถอดออกหมดคือพอกันแล้วอพูดยังไงจะไม่เหลืออะไรเลยเช่นเดียวกันภาสุดท้ายถ้าใครไม่มีปัญญาหรือปัญญาไม่ถึงปัญญาไม่พอไม่สามารถที่เข้าใจอันนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นศาสนาเราลึกซึ้งถ้าเรามองภาพทั้งสาภาพนี้ให้ได้ โดยเฉพาะคือภาษาการฝังพวกเราทุกคนเราเข้าไปเมืองนอกเขาไม่ได้สอนอดไเยอะสอนนี้แล้วก็ให้เขาทําคุณลองหลับตาดูว่าตอนนี้คุณเห็นภาพหนึ่งภาพที่สอ ง, สองหรือภาพที่สามเป็นการบ้านต้อไปทําซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนในทางปฏัติเราจะเรียกว่าอเ น, นจังทุกขังอนัตตาก็าว่ากันไปไม่ียกว่าใจรัก อันนี้อยงก็คือภาพแรกคือมันไม่สมามารถีะแท่งแท้แน่นอนมันมันกลับไปกลับมาได้ไม่ไม่มีความแน่นอนกันอย่างทุกขังชัดเจนเลยตัวที่สองคือคําว่าทุกขังทุกขังแปลว่าอะไรถ้าเรามองเห็นภาพปกติด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือมองเห็นข้างในจริงๆริมองเห็นอุจจระปัสสาวะถามมันนั่นอะไรคือว่าทุกขังทุกเทีมันขังเอาไว้ ทำไงทุกครั้งที่แกออกไปก็ต้องปล่อยออกปล่อยอะไรปล่อยทุกทุกอะไรทุกหนักทุกเบานั่นแหละที่เราเรียกว่าทุกหนักเรียกว่าทุกเบาแต่แต่ละวันต้องปล่อยวันไหนไม่ปล่อยไม่ได้แต่ปล่อยเสร็จเราก็เฉยเไม่มีอะไรคิดไม่ได้แต่ถ้าที่มันมีเห็นทุกวันนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้ามองเอง ก็ให้พวกเรามองเห็นว่าเออมันมองอย่างนอกก้อยก็วันละครั้งก็ยังดีนะทุกคนออกไปเดี๋ยวมันก็เข้าอีกเข้ามาทางไหนเข้ามาทางปากใครเป็นคนเอาเข้าลืมไปลืมไปว่าตัวเองเอาเข้าอหลักไปเป็นโทษประแจงภายนอกนสารพัดที่ตามมาโาครคภัยไข้เจ็บเบาหวาน ไขมันเกิดจากอะไรอ่ะแลวใครเป็นคนสร้างไปหาหมอหมอว่าเอาไปไปยาไว้ก็ให้ยาไปยามัน ไ, ไว้นะไปปะมันไว้ไปฉุดมนไว้เพื่อบันเ่าใช้คำว่าบันเถามันพร้อมนะยาบันเ่าลืมไปไปเจอขาหมูไหนอเอาปะปะปาเข้าไปแล้ว จะพักโอ้กินยานลดไขมันเห็นไหมนี่คือสติแทนที่จะไปลดตรงเนี้ยต้องขาหมูนี่แหละแทจิไปรดยางเนาะไปเพิ่มขาหมูทุกวันในวันนี้นเห็นไหมสติเราต้องการฝึกของเราเพื่อต้องการให้ตัวเองมีสติเป้าหมายชัดเจนกุฏิเจ้าเราเป้าหมายโน่นสวรรค์ในพานไปโน่น เอาหเห็นปัจจุบันพุทธิจถาสอนทุกเรื่องสอนที่ปัจจุบันปัจจุบันคือวันนี้เดี๋ยวนี้เวลาในขณะนีนน้คือสิ่งที่พุทธิจถาสอนเพราะฉะนั้นหลักสามหลักอันนี้ยถ้าใครมองเห็นภาพโดยพอกที่คือครบภายในระะเวลาเร็วที่สุดเท่าที่เรได้คือสบบามารถมองเห็นภาพที่หนึ่งได้คือเหตุการณ์คือตั้งอยู่ระดับไปดมัน วัดวองภิพาตที่สองคือเป็นที่มาที่ต่อที่สามคือดับเกิดขเกิด อ, อ, อยู่ระดับไปให้เร็ ว, ร ว, รวที่สเท่าเี่จได้แต่าพาติจารคนตอนนั้นก็มีปัญญาปัญญาต้องเกิดแต่ทันทียืนได้ไม่งั้นไม่มีทางเมื่อไม่มีปัญญาก็สัญญาอาศยัยแค่สัญญาแล้วตัวเองเข้าใจว่ามีปัญญาซึ่งทุกวันเรากอาศยัยสัญญานั่แหละ การเรียนรู้ความจำได้ไหมายรู้เราเรียนหนังสือก็คืออาศัยสัญญามันยังมาถึงขั้นปัญญาแต่เราเรียกปัญญาแต่ผู้เช้่เรียวบอกสัญญาแต่ถ้าปัญญาจริงๆก็ต้องไม่เหลืออะไรเลยันักปล่อยคนต้องวางได้สุดท้ายนั่นคือการปล่อยวางพราะนั้นเป้าหมายในภนาษาการนีฝากรทุกคนจงที่เตรียมตัวเตรียมใจในภนาษาการนี้ ในสามเดือนที่จะถึงคราบนานเนี่ยมันจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงใ น, านทางดีขึ้นกับตัวเองวุรนง่าคือพฤติกรรมของตัวเองซึ่งไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองฐานสถานการเนี้เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องอะไรเช่นการกินเปลี่ยนแปลงได้ไหมพฤติกรรมการกินกินให้มันน้อยกินในความเป็นประโยชน์ ที่ให้มันครบมันก็รับประโยชน์แล้วที่เหลือก็เป็นภผละน้าตาลมากเข้าไปก็สะสมไขมันเข้าไปก็สะสมมันไม่ติดใช้อะไรไม่ควจะเป็นคือร่างกายมันเป็นเป็นเรื่องที่มานจะจันมันจัดระเบียบร่างกายของเรานี่อาจจะจัดมากๆเลยคือมันใช้เท่าที่ควรเป็นมันใช้ไม่ได้มันก็เก็บเก็บไว้ก็เป็นภาระา่ะ อันนี้คือสารธรรมสาหรับพวกเราสาหรับภาษาการนี้เพื่อเป็นแนวแนวลึกแนวคิดแนวปฏิบัติจะได้เอาไปเป็นแนวในการปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดตามโอกาสเวลาแตที่สำคันคือภาพทั้งสามภาพเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือใต้เหตุสามภาพเนี่ยให้เร็วที่สุดคือหมายก็ว่าเห็นการเกิด การดับการตั้งอยู่และการอาารไปให้เร็วที่สุดโดยเพื่อยืขนขณะจิตเดียวกันเห็นการเกิดดับพูนง่ายเหมือนกันเกิดการตายของดวงเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้ตายทันทีคือเกิดแล้ว ก, ก็ดับทันทีเห็นในความคิดเขาตัวเองแล้วเขาจะได้ดับทันทีเห็นในการ ก, าการะทำพฤติกรรมแ้วให้ดับทันทีเห็นการเกิดการดับอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะได้ผลอย่างเข้าใจ เ, าเาราทาบซึ่งผลของการปฏบิบัติ มันจไปรอผลชาตินาชาติน้ชาติาไหนเพราะชาตินี้แหละเวลานี้เดี๋ยว น, นี้ขณะนี้การปฏิบัติเราเราจะได้ผลงานปฏิบัติแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนก่อนเข้าประส า, าการต้ออย่าลืมโอคอนายโคน้อมปฏิบัติเราที้ไปพูดปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์สำหรับาาการปฏิบัติในโอกาสต่อไปก็ขออนุโมทนาโลมะ